พระธรรมเทศนาแผ่นที่65ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ เทาสิว่าภาษายังดีฮนะภาษาบ้านเท่าดีบนะอกฮะเอาภาษาบ้านเท่านอ้อขันผู้ใดเป็นคนทางปากกลางต้องฝึกหัดเรียนภาษาบ้านเท่านําคขันเท่าไปป ร, ประเทศอังกฤษเทาก็ยังเรียนภาษาอังกฤษไปหมดละเข า, าไปภาษาเออ ประเทศอื่นภาษาจีนนะครก็ต้องเรียนภาษาจีนบัตถ้าเขามาเข้าไปภาคกลาง เ, าเขาก็บอกภาษากลางภาคกลางขึง้นมาทั้งอีสานก็ต้องบอกภาษาบ้านเฮ้านนั้นคือธรรมชาตินะหลวงพ่อในวัดปา่านาคำน้อยของเฮ้าเดี๋ยวนี้บางคนมาเห็นทหารอยู่หน้าวัดโอ้ ปฏิรูปปฏิวัตินี่มีทหารมาคุ้มกันปนิตรต้งลงพอหน่อยโมเมน <c oughs> เขามาคุดสะอเขามาคุดสะให้ลงพอตัอ้งแต่ปีที่แล้วนะลงพอทำเรื่องเรื่องว่าอยากจะได้สะนามเพราะ น, นามมันแหงในทางหลังวัดสนะนี่คือคือสะลงตาลงตามหาบัวพันคุดไทยสมัยนั้นคือหน่วย กรอบกลางหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่กู้เมือเ่อแต่ว่แตา่ไม้กรอบวนน่ันนวยกรอบกลางมาคุดสาเหตหลายหน่วยในวัดเท่ามาหาคุดหน่วยหนึ่งมันเลิกเลยหน่วยใหญ่เนื้อทีประมาณสิบลายสองสานี่ยสิลบลมาหาในหน่วยนี่มันแหงบ่แต่หน่วยนึงนี่ยน้ำยังเต็มเนี่หน่วยที่น้าแห้งเนี่ยลงพอก็เลยไปผดคุยกับกรอบกลางกรอบกลางก็เลย ทำเรื่องมาทั้งอบพอตอัมตมรวจบันกล้องเนี่ยเขาก็เลยนั่นแหะก็เลยเออกมาคุดบ้านเนี่ยเอาเครื่องจักรเขามาแมคโครแมคโรมคโรนี่ยตัวแท็กเตอร์ตีนตะขาบสองตัวรถซิปปอดดำหาขั้นแล้วก็รถหนำมั่นขั้นหนึ่ง หลปิดหับทหารอีต่างหากักทั้งหมดมีอยู่สิบสองหน้าเขามาโุดซ่าให้หลวงพ่อนี่แลโคดมามันเกือบสองเดือนแล้วเลยเดือนกว่าล่ะแต่ว่าเซตเป็นหน่วยหนึ่ ง, งสองหน่วยล่ะหน่วยหนึ่งกับหน่วยสองแต่เนี่ยยังหน่วยสามหน่วย ส, สามกำลังโคดอยู่เกือบจะเสซแล้วประมาณจะกระทิตย์นี่ยเกิคือ้สิแล้วแต่ว่าหน่วยหน่วยแรกหลวลงพ่อบุงหงุจกักว่าคาใส่ใจเท่าไดรเพราะมันเป็นทั้งทหารครับ ออกทั้งออกพอต่อแต่ว่าหน่วยที่สองนี่กับหน่วยที่สามเนี่เขาบอกว่าเป็นเป็นแนวความคิดของหลวงพอลองพอสิ่คิดกี่ยวกัน้ำมันกาหลวงพอยองพอยจะให้เท่าไหร่ก็เลยเขาคิดออกมาเป็นน้ามันหกพัน 6, ลิตรเนาะหกพันลิตรประมาณแสนแปดจนๆหน่อยๆประมาณหกแสนแปดเรอปนี่แหละอันนี้หลวงพอก็ให้เดี๋ยวนี้กำลังคุดหน่วยที่สองแล้วแล้วหน่วยที่สาม แต่ละน่วยกาะกว้างเลยบาดา น, นแล้วก็าเรยกลุลงพอก็เลยบอกแต่ละน่วยเนี่ยก็ะน่วยก่อนปลูกแล้วแล้วไอ้ซากุดแล้วแล้วลอกแล้วแล้วเพะมเป็นซักส า, สา ข, ของหลวงตาเนื้อทีประมาณสิบ ป, ปลหลวงพอกับพ่อแล้วเรือ่อยชัดทาญาติโยมเนะ่ยโยมฉลาดเนี่ยล้านมั่นสามเหลี่ยมของเฮากับพวกลูกหลานคณะชัดทายญาติโยมร่วมกันหาใหม่ ปลามต้นปรามแล้วก็มักเมาหมักส้มผู่หมักปีหมักม่วงประดูมักขาตะเคียนท้องปลูกสลับกันขั้นมีแต่ปลูกแต่หมักไม่ดูไ ม, ไม่้าไม่ตะเคียนท้องไม่ย่างมันกระบอแมนอาหารของสัตว์ขั้นที่ปลูกแต่พวกละไม่ย่างเดียวก็เป็นไม่ที่โบยืนอายุโบยืดหมาก ถาว่าปลูกไม่เม่นั่นผสมประสานกันคือว่าเป็นปลาธรรมชาติให้พวกสัตว์ทั้งหลายได้กินค่ะถาว่าปลูกแต่ไม่ยืนต้นอย่างเดียวในบริเวณละแวกนี่ลูกหลานให้สังเกตเบังมีตั้งแต่สวนอย่างสุดลูกหูลูกตาไปใส่ภาในพวกนกหนูปูเปี๊ยกเราฉนี่งสซนงงฉนี่เมื่อนั่นเลีง้งคางบางเฉนี่มันจะกินหยางบ้านพร้อมมี หมากหม่กินคือตะกรนะัะเม็ดลงพอก็เลยให้ไปเอาบมือว่านกันโยมไปเอาจากสกลนครไปเอามักเมามาสามรอยต้นหมามกวาอกีกหมากว า, ายใหญ่่ที่เขาเพาะพันธุ์หมากว า, ายใหญ่สองรอยแล้วก็ไม่ต้องอื่นอีกผลละหมากลากไม่เอาลงมาลงเนะี่ย แล้วก็พวกกุบาไปเอาใหม่ทั้งสังคมปลกประดูมะขา่าตะเคียนทองใหม่ซักเอามาลดหกหล่อคันหนึ่งหมอแล้วก็โยมฉลาดเพิ่งไปเอาต้นปามาอีกได้ตั้งสี่รยหต้นตรวงพ่อจะปลูกอะไรเขาบอกมือเอิญเลยมืออืินวัฒนพ า, ากเออก็ดีขึ้นกันปลูกปลูกหนะ้าเปลือกปลูกขึ้นมาเลยก็สองสมปีมันก็เป็นหมกักเป็นนวยหมักปรามเลย เป็นอย่งหลวงพ่อยิปลูกหมักปามขายตีบะแมนปลูกขึ้นมาเนี่ยนวยซุกมันอ่ะมันเห็นลิ้งมันกินเลยผวกลิ้งพวกค้างพวกชนีดก็ะหรอกกระแตแตกยาวๆอย่นี่ในวัดจะมันต้นไหมันเป็นหน่วยนะเพราะกินรดนองม้าบัตรพวกก็หหอกกระแตกินเม็ดไนมันอีกเปลือกนอกมันพวกสัดกินเปลือกทั้งนอกไปอีกมันหวานเลยค้นกินได้เปลือกนอกมันเปลือกนอกมักปามอ่ะ พระนั้ลงพอว่าหมักป่ามันเป็นตลอดทั้งแรงทั้งฝนมันเป็นอาหารยางดีของสัตว์ทั้งหลายลงพอก็คือว่าปลูกเพลกเป็นชิ้นโค้งชิ้นค่ายเนาะปลูกให้สัตว์กินแล้วก็มักมีขึ้นกันปลูกขึ้นมาในจัวัดของลงพเนี่ยมันเป็นเกือบตลอดทั้งปีเนาะมันมันชุ่มชื่นพอเป็นขึ้นมาน้อยไหนมันแก่ได้กันเลีงก็กินแหละกัดลงพอก็ปวายะปปลูกให้มันกินกินจนมืด ตัวหนันกินตัวนี้กินมันไปมนเลี้ยงมันหลเลยออกจากเลี้ยงก็เป็นก็ะหอกไปกินอีกอันนั้นก็คือส่วนหมักเหมาคือกันหมักเมาหมักว่ามันเลยคือกันอันนี้เป็นอาหารผกนกพวกหมักไห้หลวงพ่อก็ปลู่คือกันสรุปแล้วก็คือให้มี ใช่ซัดอยู่ในวัดของเฮ้าวัดของหลวงพ่อพันผะู้พั น, พนสามรอยาสิบไรเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะเพื่อเลี้ยงสัดสาลาสิงห์แห่น้ำอยู่ในน้ากับมีหดมีปุงมีป่ามีมัดมีหดอ้อย่างไอตัวเหียเฮียกับโมเมนของหน่อยขึ้นกันนลยแปลกเหียก็มีใน้ลงวัดหลวงพ่อนะีอ่ขานกุงกูกวังไกอ แต่หลวงพ่อก็าบอกากให้มันอยู่หรอกเฮียเพราะมันกิ่นป่าเนี่นไปแต่เสีเหตุอย่างไรแล้วเป็นสัตวโลกจะไปจับมันก็นจะ จ, จับจับอย่างไรมาหน่อยจะไปขามั น, นเขาบอแม่นแนวขาบาปอีกก็เลยปล่อยปลยให้มันอยู่เอา้าอยู่นํากันได้สูนะอย่าเบียดเบียนกันเนะี่เท่านั้นแหละอันนี้คื อ, ค อ, อหลวงพ่อปลูกปลาข้าวอะไรก็บตำรวจพ่ามาปลูก นี่แหละไล่ซื้อผู้ที่บริจาคมีทั้งหมดสามหมืนสองพันสามมนสองพันอันนี้อีกยี่สิบยี่สิบอไล่ซื้ออันนี้สองหมนเก่าพันเก่าลอยนี่แหละผู้ใดทำบุญเท่าใดกันนะทีเขาค อ, อกไผ่ค อ, อกมั่นะเขาค อ, อกอยังไง คือพอได้ทำบุญบุญกุศลกับเขาสู้จิตใจของผู้นั้นคือเป็นคอกคือเข้าไปเลี้ยงไปสื่งง้อสื่อควายม้านะคตรโมล้านก็เปียบเทมเขาว่าคอกข อ, ข อ, ขอกอะไรก็คือง้วควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นคอกสื่อมาแล้วก็เขาคอกไปค อ, อกมั่นพอสื่อมาได้อันนี้คือกันการสร้างบุญกัเวลาเข้าสร้างแล้วมันก็เขาสู้จิตใจของพวกเขานั่นะ จิตใจพยจิตใจมั่นทำบุญมากน้อยแล้วกันทำบาปขื้นกันทำบาปขื้นกันทำบาปมากทำบาปน้อยกับเขาสู้จิตใจขึ้นกันเพราะนั้นจะไปทำเถอบาปทำบุญแต่บางคนที่บอกว่าสิล้มพ่อจะอ้ะกันบุญได้ถวายเงินหลายพวกนั้นก็จะได้บุญหลายอันนั้นก็มีส่วนมีส่วนแต่บางคนทำโมดุยศรัทธาก็ไม่ได้ ถ้ำไปเท่าไหร่ปลาเชื่อหรอกว่าจะได้บุญเขาเฮ็ดก็่เฮ็ดเป้ยเท่าหไหร่แบบทิ่มๆควงๆก่อนไปคือการกระเพ้ามีเมล็ดเข่ามีเมล็ดเขานะ่เเขาหลายก็จริงโยแต่ว่านเขาไปโดงมาเนี่ยปลาดงพงไผ่เห็นขีดข้ดินคือกันว่านเขาไปลดก่อนไปบลเชื่อปลาเชื่อมันจะได้ว่านจะได้กินเขา่ามันกับบริกินคานาวาเฮ้าได้เข่าหน่อยก็จริงโย แต่เข้าเบื้องที่ดินของเข้าตรวจที่ดินของเข้าให้ดีแล้วก็เขาก็วานเข่าลงไปถึงจะเป็นเข่าหน่อยในกําเดียวทนนะั้นก็มีผลตอบแทนงอกเงยขึ้นมาอันนี้ลงพอบริวารบริดทรมคุณหลายจะได้หลายโบแมนเลยเพราะออกบ้าจิตใจจากจิตใจตั้งหัคันว่าพัวเข้าท้ำแต่สักว่าถ้ำเห็ดแต่สักว่าเห็ดโบเสือบาปบุญคุณโทษ เพอทําไปเลยบุญก็ได้โยแต่คําบ่ได้หลายพะมันมีศรัทธามันบ่เชื่อขั้นพูดผู้ใดมีความศรัทธามีความเชื่อถึงจะทําบุญหน่อยก็ได้หลายเพราะอะไรเพราะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเพราะดันศรัทธาข่ํานี่แหละผู้ขาจะปลูกไม้ข้าวนี่ปลูกเพื่อหยั่งปลูกเพื่อให้เป็นไม้ ย, ยืนต้นในแผ่นดินผู้คาเกิดเม้า ผู้ขาก็ต้องได้กินอาหารผู้ขาเกิดมากก็ได้กินห ม, ม, มัมกตาลห ม, มักมีหมักม่วงที่ปลูกขน้นบรว้านเขาปลูกไว้ผู้ขาก็ได้กินหมักมีหมักม่วงหมักไม้ต่างๆของคนโบรว้านเขาปลูกเกิดมากก็ได้กินลดบัตหนี้มะฮอดผู้ขาผู้ขาก็คว้นจะปลูกมักไม้ให้พวกผู้อื่นกินต่อไปอจปแล้วยคือให้มีน้ำใจนะข้านว่ากูว่าได้กินดอกกูปลูกเนี่อ พอได้สุตัวเองเลยกินกินของไผ่ะบาดกินหมักมีบักพวงเจ้าของปลูกทั้งมดแมนบอเกิดม่านเป็นมักมีบักพวงคนบอลล่านเขาปลูกไว้สแสดงว่าตัวเองบอ่ปลูกให้ผู้อื่นกินแมนบอลขั้นว่าตัวเองบ่ปลูกให้ผู้อื่นกินแสดงว่าตัวเองเห็นแก่ตัวยางมากคนแวเกิดม่านนักแผ่นดินพูดจังสันได้เพราะนั้นพวกเขายาเป็น คนนักแผ่นดินควรจะเห็นแกมูแกเพื่นแกพักแกปลวกต่อไปผ้าพักหนาอันนี้คือการเอาปลูกหมักมีหมักม่วงหมักใหม่ให้สรพสัต์ทั้งหลายกินเขามัเหลือจากสัตก็ค้นกินก็ได้หมดไปยังบ่อยเป็นบาปเป็นกรรมนี่แหละอันนี้ก็คือการปลูกใหม่ที่ลงพอแนะนํานะแต่กระหม่อว่านเนี่ยลงพอเข้าไปโรงพยาบาลศูนย์อุดรลงพอ อัในให้เขาเฮ็ดที่พักสําหรับคนไม่ไปเยี่ยมไข่จังโจบนบ้านนอกเข้านี่แหละพอแม่พี่หนองลูกหลานไปป่วยโร่งพยาบาลศูนย์พ่วกเฮ้ากับเมาส์ลดไปโดยมากทั้งอีสานนี่ยท่ันพอแม่ป่วยจริงๆลูกมัดขอบครั้วลูกหลานทั้งหลายลางไหลไปไปหอดเลยจีกับมากกับกับมากบ่ใดเป็นห่วงกันจีไปนอนลงแรมกกับนอนอบ่ใดพาะบพี่เงิน พอเนี่ยโเลยไปหานอนตามฟุตบาทขคางโลงพยาบาลนางเอทเลดอาดลาดอยงเง้ยเขีย่ยหมากสูบยาอย่างเง้ยแต่หลวงพ่อไปเห็นโอ้ไปร่าฝนตกมากเนี่ยเขาก็ไลอ์ออกพอเห้นอนทางในได้เออหลวงพ่อก็เลยไปคิดสัง่ง อ, อาค้ารทั้งไต้ตึกที่จอดรถของหลวงพ่อนะ่ยเออหมู่วานก็เลยไปเบิง้งเขาก็กําลังก่อกันก่ออิด ก, กาลังทิ่ ปูกระเบื้องกันน่ะหลวงพ่อจะเฮ็ดเฮ็ดเป็นห้องแล้วก็มีมุงลวดมีประตูปิดเปิดมิดชิดแล้วก็ทําเป็นห้องทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเออหลวงพ่อคิดว่าคงจะนอนได้หลายลอยคนอยู่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำฝ่ายหญิงนหน่อยองห้องว่แล้วก็ห้องค้นพิการอีกห้องหนึ่งของฝ่า ย, ย, ผ, า ย, ย, า ย, ยผู้ชาย่อหกห้องผู้ชายนี่ยตีไน้อยกว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยหลวงพ่อก็ได ไปเบิงหมื่ว่านแต่หลวงพ่อก็เริ่มจ่ายตังค์ไปละให้เขาไปละรถแรกนี่สองแสนแต่ว่าเฉพาะคาแรงอย่างเดียวหาแสนดเฉพาะคาแรงนะแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกว่าอีกลงพอกันศาสตร์ครับขอวงกบน่เขาขอเบิกแค่เนี่ยเขาขออีกเพิ่มอีกเจ็ดมือนหลวงพ่อเออเอา ขานธหว่าความเหมาะสมผู้ยูนางานพิจารณาบางเรื่เหมาะสมแล้วก็เอาจใจไปลดสรุปแล้วก็คือคองจะเป็นหกแสนกว่าเลยหกแสนกว่าจะพอคาแร่งจะพอคาของเอกว่านี่ตังหากในหลวงมัอว่านหลวงพ่อก็ไปบึงงานเพื่อต้อนรับคนยากจนสรุปแล้วหลวงพ่อไ้สร้างให้เศรษฐี โย่กไอ้หมองจังสี่นละไปเอรษฐีคนใดมีเงินก็นไปนอนโรงแรมอมาก็มาเยี่ยมพอเยี่ยมแม่แต่สําหรับบ้านนอกบ้านหน้าเฮ้าเนี่ยเศรษฐีไปนอนจังสันคนไรคนมีเงินจะเพราะคากินอย่างเดียวพอแห้งแล้วก็หาหมองนอนอีกหาหมองทายอีกแล้วลงพอก็มาเห็ดหมองนี่ให้ตอนรับขับสู่สาหรับพี่น้องลูกหลานนั่นแหละ ถึงลงพอของเฮ้าเนี่ยลงพออินถึงจะโยปลาหลงพงไพ่ลงพอเคยคิดไก่นะลูกหลานนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมนะเฮ้ยขั้นลงพอวาจังทีเลยโอ๊ยบ่เชื่อหรอกเลยกลับไปเบิ้งรงพยาบาลศูนย์นั่น่ะมองหลังตึกของลงตานี่ยตึกลงตาเน่ยตึกที่จอดรถเน่ยเขากำลังก่อกันเรื่องถึงถือเลยแล้วกาลังจะเฮ็ุห้องน้ำต่อแต่ห้องน้ำบัท่านในเหตุตอนนี้กำลังจมว่างปักผังแ่ะได้แปลนมาแล้ว นี่แหละอันนี้ก็คือการช่วยชุมช่นสังคมขันว่าทีต้องพ่อซอยอย่างแดอันนั้นทหารหลวงพ่อจิบบรรยญาให้ลูกให้หลานฟังเลยกัมื่อไหนคงจะบริษัทจังหันมันหลายโพดพ้นไปแล้วก็พ่อแล้วทหารหลวงพ่อก็ไปปุนห์ไปอำเภอเพ็ญไปวัดไม้ทหารกับรังคุดกันมาเรื่องถึงนั่งถมดินแล้วก็ทหารทหารมูเดียวกันนี่แหละกับกุ้มนี้แหละไปถมดินทั้งนนคุดซ่าทั้งพุ่น พอไปสางวัดอำเภอเพชรหน้านะบ้านสุมเสาบ้านห่วยโตนที่หลวงพ่อไห่ทันรัตนะไปเป็นหัวหนา้าแล้วก็มีพระไปด้วยกันทั้งหัดหกองไปไปอยู่วัดไม้หลวงพ่อพวกเขามาเห็นมาเห็นเอ๊จะจันรัตนะไปใส่หลวงพ่อให้ไปอยู่วัดไม้นะ่ะกำลังสางมือว่านหลวงพ่อก็เลยไปเยี่ยมไปเบิง่ง ก็รู้สึกว่ากุฏิของหลวงพ่อเขาเฮดไห้โอ้อย่างดีเลยหลวงพ่อที่ขึ้นขึ้กันที่แรกก็คือว่าจะไปจำพรรษาปูดบ่ อ, อปีนี่แต่เบิ่งเบิ่งหมันบอ่พอพรอมเท่าไดรก็เลยบอไห้ไปเมื่อวานก็เลยไปเยี่ยมกับมากกับทุ่มกวาดมาขึ้นนะลูกหลานนะี่ยนี่แหะภารกิจของหลวงพ่อแต่ละมือนะบอกให้ลูกให้หลานได้ฟังนะแต่มือนี่อีกว่าเนี่ย ทั้งวัฒนธรรมอำเภอหน้ายุ่งของเฮ้าท่านนายอำเภอกุมหัวหนาส่วนราชการได้ปรึกษาปารูปกันเมื่อนี่เป็นวันที่ยี่ภาคกรกฎาคมพุทธศักราช2557ัาอางวัฒนธรรมอำเภอเปินว่าได้รับคำจากแต่แนงเพเภอและวนาส่วนราชการไปชุ่มหาลรือกันว่า ในอำเภอหน้ายุ่งของเขาน่ะเป็นอำเภอเอมีวัดว่าศาสนาควรจะวนาส่วนราชการควรจะไปทําบุญตามวัดต่างๆเอเดือนหนึ่งจะมีชักครั้งนึ่งแต่เดือนหนึ่ ง, ง, ง เ, ด เ, เดือนแรกก็มาใสาบาดพระวัดหลวงพอ่อยู่ไกลอำเภอลงมาใสาบาดวัดมือชเช่าเลยคนเห็นพี่นอกประชาชนวนาส่วนราชการหลายกู่หลายคนอยู่อ แต่ก็ผสมอำเภอหรอวะกระลายยังอสมออมเพอโนไปคงจะประกาศบพธทัวถึงมั่งมาใส่บาทแล้วคณะนี้ก็มานาั่งฟังหลวงพ่อเบวเนี่ยแหละการทำบุญหลวงพ่อก็เห็นด้วยกับพี่น้องประชาชนศรัทธาายาโย่อมเพราะว่าปีหนึ่งก็เป็นวัฒนธรรม อเป็นวัฒนธรรมของอำเภอหน้ายุ่งของเห้ามีปีหนึ่งก็เอาไปทำบุญวัดนั่นไปทำบุญวัดนี่เดือนหนึ่งเดือนต่อไปอาจจะเป็นตำบลหน้ายุง่งตำบลพ้นท้องตำบลอย่างมันมีอยู่สองสามซีตำบลอำเภอหน้ายุ่งเห้าแต่่าจะไป ทุกตำบลตำบลละเดือนหนึ่งลงพอวันที่ตำบลทีแบ่งกันอย่างไรระบาดเนี้อยทำทำบุญเดือนต้องถามวัฒนะถ้ำอำเภอวันจะแบ่งอย่างไร เ, เดือนสุดท้ายเอาสองเอาสองเอาสองวัดบแล้วก็พร้อมกันทั้งอำเภอของเฮ้ามื่อออกพันศาแล้วทุกปีที่พานมาที่ตั้งอำเภอมากก็มีการทอดผับปลา ตามอำเตำบลแต่และตำบลเป็นว่ากระถินอำเภออเ น, นกี้คงจะมีปีนี้ก็คงจะมีมังคงจะอยู่ในใจของพวกหัวหน้าสันนอำเภอปออุโซวัฒนธรรมหรือหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนายุ่งคงจะได้คิดไว้ในใจแล้วล่ะคงจะถอดวัดไดน แต่หลวงพ่อก็มีสมทบกันนะ่ะหลวงพ่อเนี่ไปทอดมองไหนหลวงพ่อก็สมทบเลยก็ได้หายอยู่เพราะว่าวัดหลวงพ่อนี่ยขยังว่ า, สายสัทธาญาดโน้มมาจากจา่าตุลธิดเป็นวัดทัจวาวัดไงกับไงนายทินอำเภอไน ย, อยุ่งวัดผู้ก่อนวัดหลวงพอ่อวัดหลวงพ่อสดวัดหลวงพ่อเจ้าคณะวัดเทพสิงหาน เป็นวัดใหญ่วัดบันหวยทรายแล้วก็วัดนั่นแหละแต่ละตำบลอำเภออำเภอนายุง่งของเข้าเป็นวัดว่าศาสนาเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งแต่สําหรับพวกเข้าคณะสัาาาาตว์ทาหยายุ่งขลาดจการทุกหน่วยทุกหมูทุกเราทุกคนไม่อยู่ในอำเภอนายุง่ง ของเฮ้านี่หลวงพ่อว่าเป็นผู้โชคดีส่วนหนึ่งคือกันเลยเพราะเหตุใดเพราะว่าอย่างวัดปาผู้ก่อนเนี่ยคนทั้งหลายลังไหลเข้ามาให้พวกเฮ้ามันนางนาบลงหลดมือเขาพรรษาออกพรรษาหรือว่าวันเทศการปีไม้สงกรานคนของเฮ้านี่มากมากขืนผู้ก่อนขืนไปกราบพระหลวงพ่อยังบอกกับพี่น้องลูกหลานอยู่พวกเฮ้านาจะมีหัวนะ ว่ามันจะไปเฝ้าตะสวนอย่างว่ามันไปเฝ้าตะทงหน้าไฮสองไฮมันหนาจะมีหัวอ อ, ออกเอาวัตถุอย่างมากขายแกะสลักบอกแกะต้นมะม่วงแกะต้นช่าช้าบอหูบสร้างหูบมากหูบหมาหูบแมวเอ อ, อ่าไปแกะแต่ลงพราอินเท่านั้นแหละแกะหูบลื่สีบอเออเวลาไพ่มากขายปลล เ, เป็นที่ระลึกเป็นยังทีเฮ็ดได้ครับ ไปเหีน้นนําเขาเดือดแถวแถวเชียงไม้มันแห่เข้าแกะจังใดเขาไปกับไปเหี้นบัดไปเหี้นในการแกะสลักจับขับเขาพ่อมาแกะแล้วเขาก็มาว่างขายมันแต้มหนวดแต้มเข้าฤาษีคือฤาษีไปมากก็ซื้อเป็นของที่ระลึกมาจากอำเภอนายุ่งเซีงโมนิล้วนแล้วจะจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องลูกหลานทั้งหมดขันข้นขยันคน ข, ย, น ข, นขยันย่อมหาทรัพย์ใด ไอ้ข้นขีฆ่านน่อยู่ใส่ทุกข์คือเก้านั่นแหละเพราะนั้นพวกเข้าให้ขยันนะห้องต้องมีหัวพร้อมได้ต้องมีปัญญาพร้อมต้องหาแนวทางคนมากได้หลายทีข้นมากจากต่างทินต่างแดดนี่เขามากเนียเขาต้องเห็นต่างกลุ่มกันขึ้นมาเพิ่อของเข้าแต่โดยมากบ่านนอกบ่านหน้าคนอีสานของเขานี่พอเห็นพุทธองอ๋อยะเฮ็ด พูดนึงเฮ็ดล่งสีพูดสองเฮ็ดล่งสีพูดสามไอเฮ็ดล่งสีบัดนี่เพ็ดกันพ่อใดมันแข่งกันทั้ทงที่ค้นในชุ่มช่นอนมีอยู่สาวขอบขัวลงสีถึงสีล่องมันไมจะไปได้จังใดเห็นพูดหนึงเฮ็ดกัแนะมนน่นกันพดูดนึงเฮ็ดแล้วเออห้พอนเฮ็ดจ้ะพมาค้นจี๊ซิบขอบขั้วกับพอดีแหละล่ะล่งสีลรงนึงขั้นมีหอดสองสามล่งมันแข่งกันมืนะไปยุได้จังใดนีน่นะโดยมาก คนอีสานของเขาที่หลวงพ่อเห็นเห็นนะเป็นลักษณะจังสันเฮ็ดยังแข่งกันพอเฮ็ดกงตังค้นตางเจ่งบ้านเนีเพชกันบานเออมึงหยาดกันหมดไปตัดนากันสรุปแลวอิจฉากันเนี่ยนะอันนี้คือกันนะั่นหะคันห่ววาววกเขามีปัญญาอย่างที่วานนะพวกนึงขายพวกนึงผวกนึงขายผาผวนนึงขายผาตาผาท่ออย่าง ได้ทั้งหมดกระโปงกระเปา๋าแล้วก็ซิงแกะสลักให้เป็นชุ่มช่น่นเป็นของดีทีะระดึกจากอำเภอนายุง่งมีเอาหงอาหารอย่างกล้วยตรงกล้วยตากกล้วยไอหยังคายผ พ, พี่น้องเขามาก็ให้สังเกตุเขาม้าเดือนใดเขาม้ามากโมแบบเมนต์ที่ไปตั้งโจโลเขาบัามากกัไปตั้งมันก็บบัใดขึ้นกันเด้ อ่าฮะคนต้องเบิ่งอีกเขาม้าช่วงใดให้สังเกตนี่แหละคันเขาม้าเดือนออกพันษาเนี่เขามาหลายเขาพันษายให้มาจนหารถที่จอดวงที่จอดกระบะมีมหาแลนคืนวันบุนวันวิจักรรถบาสรถทั่ววิจักรถตู้อะไย่งลังขึ้นมามาเบิ่งนี่แหละจุกวัดหลวงพ่อเนี่ยก็จะหลวงพ่อก็รับประวัติบวชไวจนในนี้จะข้นคือกันนะเพราะอย่งไรเพราะมันคนมันหลายโพูดวนไปบวชไว้ นี่แหละอันนี้ก็คืออำเภอนายุ่งของเฮ้าถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นอำเภอที่เศรษฐกิจส่วนหนึ่งแล้วก็พร้อมกันก่อสวนยางอีกบาทหนึ่งแต่สวนยางถึงราคาจาคีา่สิบกราสา29 30บาทมันก็ถูกแล้วล่ะแต่ว่าก็นย่งดีย่งดีกว่ามั่นสําปลังย่งดีกว่าเขาโพดเป็นในย่างมาดีกว่าเพราะว่ากีดคู่มือได้ขายคู่มือได้เงินคู่มือ เงินบุญเวียนในครอบครัวเขาว่าคนขยันแต่ว่าขั้นหากว่าอันนั้นแหละมันกันนกันกค้นคียค้าดนะครับบุกคุ้มค้าจะหายั้งใดหลือเปลตัวเอง ก, ก็กินคู่มือกินคู่มือใส่คู่มือถึงยังไงก็ตามก็ยั้งดีกว่าดีกว่าที่เห่าจะไปปลูกเขาโพธมันซําหลังปีหนึ่งจา้าหน่ยขายเที่ยงเหมือเงื่อนบัตรท่านเลยเงินปีอันนี้เงืนวัด หลวงพ่อวานะ่ะแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่ออดเป็นห่วงบะไดยขึ้นกันพวกจะไปกีดอย่างว่าจะของเมื่อยว่าจะของมือยเห็นเขาว่าเฮ้ยขั้นเมื่อยจะไปหายากยังเอาสื่อยาบ้ามากินตั้งแบงกันกินเลยพวงที่แรกจะกินคนละขากันหมามันมีสีขาได้แบ่งสีก็เม็ดหนึ่งเอาไปมากกินเม็ดนึงของบ่อพอกินสองขาผู้เดี๋ยวเอาไปมากกินมัดโตไป พรอเ<ส>กินเมือโตบอติดยาบาดเลยเดีวบอเนี่ยพอติดยาบาบบอเนี้ยค่ากี่ยอย่างมือล ะ, ะ่อไดเอ่อมือละห้าร่อยบาไมาตัวละต่อไรตัวละสามร้อยบอลเบิรงดูุบอลเนี่ไปหมาเมื่อ้มือะละสองตัมัดหกร้อยบเนี่เอ่อค่ากิ่อย่างหา่อยเบิร์นลุขันบัววังโง่ทฤว่าอย่างไหนพวกเข้า ปวได้โทษก็ะเด็แหละบาดไปบอหลอดอไตเต้า เ, าเสียหมาแมนยุกหมานี่ไปไปได้เตาเปวดแล้วมันหมาหลงทางหมางูถูกงูจงอางกัดจะตายได้เต้าตัวหน่อยๆราคาตัวได้เต้า แ, แต่ว่าหมา บ, บาดเท่าไหร่อันนี้คือกันได้เงินเท่าสามร้อยบ้านเสียเสียเจ้าของ เ, อเสียลูกอีกเสียเมียอีก เสียจกของอีกเพราะติดยาบายามาแต่กระจุยกระจ่ายโพดที่สุดทั้งที่ที่หน้ามองที่สวนมองนี่พอแม่ปูาายาแต่ย่าเพิ่นเอาห้แบงห้คนละสิบยี่สิบสามสิบไร่ปลูกน่าจะเลี้ยงครอบครัวจกของได้ทางวัาขยันและก็กกียดยางและก็ขายเฝ้าและก็กี่ยดยา ง, ยางขายายี่สิบไร่ประมาณพันก็ตนหมุนเวียนกันเดือนนึงกันหลายหลายเงินไป เออพ่อเป็ดยังสั่นเลยอยากลุย้ยกวานอีกผนไปเอาเงินเขามาอีกอพอเอาเงินเขามาบาดเนี่ยเอามาหมุนหมุนมันหมุนบ่เป็ดม า, าพอเองตัวเองบ่ฉ ล, ลาดหมุนไปหมุนมามันมดเข่า ม, เมดเข่าไปเนี่ยพวกนายทุนเขาม า, าดอกมันมาเป็นดอกหน่อยอีกไาเนี่ยแลนด์หนีบปเนี้่ยไปหาลบตามสวนยางเขาบาดอขั้นที่ยู่เขาปไดเออเขาจะบีบข้อเอาน่อไป พู้ที่เขามานี่ปล่อยดอกใั้งหมแม้ธรรมาดานักเลงขาคนใดขึ้นกันนี่แหละเอาไปมากกันเลยขายให้ขายสวนนี้หล้วบัตนี่แหละหลวงพ่อว่าเศรษฐกิจพ่อเพียงของในหลวงนคนอ่อย่างให้เฮาประหยัดแล้วก็ให้หูจักหาให้หูจักเก็บให้หูจักชัยให้หูจักพัฒนานี่แหละ หัวหนาส่วนราชการทั้งหลายแล่เนี่ยควรจะแนะนําพี่นอ้องประชาช่ชนเป็นหูเป็นตาร่วมกันผู้เยี่บบัญญักำนั้นผู้ใดเป็นอย่างไรผู้ใดเป็นยางไงบอกกาวแนะนํากันที่หลวงพ่อว่านี่คือคือบอแมนมอลูกหลานหลวงพ่อวาน่ยหลวงพอว่งพออยู่กับลูกกับหลานได้อยู่กับเพื่อนายุง่งขันหลวงพอว่อว่าวจักแม่นไผ่สีว้าวคือกันอันนี้หลวงพ่อเนี่เป็นลุงปู่หลวงตาของลูกของหลาน เห็นทั้งเสียงใดที่มันจะหายนะนาหลวงพว่อเขาว่า้ฟังแต่ว่าพวกลูกหลานบางข้อก็แต่เงี้ยนะ่ะคือจะบอบอกพ่อใจขึ้นกันนะแต่บอกพ่อใจก็จะอีกซักมือหนึ่งต่อไปพ้าิผักนาลูกหลานทั้งหลายจะเอามือกายนะาผาคิดตุวว่าโอ้หลวงพ่ออินนี่บอกแมนทนี่แต่บางที่มันก็สายเกินไปเสแล้วพนังขอฝากไปกับลูกกับหลานทุกู่ทุกคนนะอันนี้ก็คือการดำล่งชีพ ของพวกเห้าอย่าไปใส่สุลุยสุาลโดยเฉพาะยางยิงแม่บานลืมตัวไดง่าย<อ>าทางทิตะกรปลูกตะไคร่ปลูกมะเขือปลูกฟักแฟงแตงกวาเลาะหัวเลาะสวนได้ยู่ได้กินโคเมืองเนี่ปลูกว่เป็นเด้พูน่ะเป็นเจ้าหน้ากระแดะคุณหน้ากรแดดคนไปไปตลาดพูดน่ะมกพริกกระตําว่เป็นไปซื้อมกพริกปนเขาพูน่ะ ไอ้ยังเห็นขวางหนาซื่อมดอดบ่อยากกระสือพอมันมีเงินผลในสุดครอบครัว ข, ของเฮ้าเนี่ยไปจังไหนบ้านลูกเต้าเล่าหลานของเฮ้าเกิดมาเน้่ยไปจังไหนตามไม่จริงถึงจะมีก็จริงอยู่ให้เก็บไว้เก็บเขาธนาข้านไว้เก็บมือละหามื่อลยซิบมือละลอยซองลอยเก็บคําว่าเก็บคำไหนอย่าไปเบิกมัน แอบเอาไว้ใช่ประกันขอบขั้วของเห่าต่อไปผ้าิภาคนานี่ยเพราจักผัวเพจักเมียเพราะจักลูกเพราจักหลานผูกเกี่ยวของอาจจะเจ็บใครได้ปุวยเหาอาจจะได้ใช่เงื่อนก้อนนี่เงืนประกันขอบครั้วอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งบอมแอนสิมีอะไรเอามาใช้ใจลุยชุยแสกลูกของเห่ามีอะไดเอาเอาหายสื่อมอเตอร์ไซค์หายผัวในสุดตัวในหน่อยก็ซื้อหา บ่ฮ า, าคีม่อดแต่ไสไปหัวนกพืชนะเนี่ยโตโตเตเตขึ้นมาเข่าเลยได้เลี้ยงเลี้ยงลูกพี่บาบเนี่พรเห็ุไดเพราะลูกของเขามันหัวนกพืชนะเนี่ยจตายกบตายจะหายกบหายเฮนังสือกกบได้ก็เลยเป็นผ้าละของครอบครัวไปซิงโม่นี่ยพวกลูกหลานทั้งหลายที่เป็นพ่อเป็นแม่นะต้องคิดสรุปเลยหลวงพ่อสอนให้คิดนะสอนให้ลูกหลานทั้งหลายได้คิดจังไรจะ เอาตัวรอดได้เพราะนั้นคอให้ลูกหลานทั้งหลายนะวันนี้เป็นทั้งอำเภอเป็นนัดมาไซบาดลงพอลงพอก็เป็นห่วงลูกห่วงหลานพระอยู่ในอำเภอไนยุง่งอยู่กับลูกกับหลานทั้งหลายทั้งปวงลง พ, พอก็ได้เ่าว้าวว่ า, วาให้พวกเข้าทั้งหลายเป็นแนวความคิดนะสรุปแล้วก็คือให้พวกเข้ายาลืมตัวการเป็นอยู่ยาลืมตัวมันขยันแล้วก็ คนมันคนขยันยอมหาทรัพย์ได้คนขยันยอมหาทรัพย์ยได้คนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้คนโง่คนขี่ขานหาทรัพย์บ่อได้พอขนั้นพวกเขากับคําว่าพวดนะ่ะรถไพล์ว่าะรถมันบอกว่าหลวงพ่อพ่อแล้วหลวงพออ่อจะเบาหลายเอารับพ่อหนะหรถมันบอกแล้ว